ปัญหาข้อที่เจ็ถ้าถือว่าต้นไม้มีวิญญาณทำไมต้นไม้จึงไม่รู้สึกเจ็บในเมื่อถูกฟันหรือถูกโคน่นและการที่บางคนกล่าวว่าต้นไม้ใหญ่ๆในเมื่อถูกโคน่นมักจะได้ยินเสียงร้องไห้หรือเสียงอย่างอื่นที่แสดงถึงความโกรธหรือความเสียใจอย่างสุดซึ้งซึ่งถือว่าเป็นเสียงของนางไม้หรือเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้นั้น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 เช่นนี้หรืออย่างไรคำตอบที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าต้นไม้มีวิญญาณ น, นั้นวิญญาณในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผีสางนางไม้หรือเทวดาต่างๆทำนองนั้นแต่หากหมายถึงวิญญาณคือความรู้สึกชนิดที่ไร้สานึกซึ่งมีอยู่ในพืชทุกชนิดในสัตว์ทุกชนิดแม้กระทั่งเนเชื้อโรคต่างๆก็มีวิญญาณ อย่าลืมว่าคําว่าวิญญาณหมายถึงความรู้สึกที่เป็นเหตุให้เกิดปฏิกริยาที่มีความหมายซึ่งจะเห็นได้จากสิ่งที่มีชีวิตทุกประเภทการที่ต้นไม้ไม่รู้สึกเจ็บในเมื่อถูกฟันหรือถูกโค่นนั้นเป็นเพราะต้นไม้ไม่มีประสาทเช่นเดียวกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของคนเราถ้าส่วนไหนไม่มีประสาทเช่นผมและเล็บเป็นต้นเวลาตัดจะไม่รู้สึกเจ็บ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 แต่ไม่ได้แสดงออกมาเพราะร่างกายยังไม่ได้เจริญเติบโตเต็มที่พอที่จะให้วิญญาณได้ปรากฏตัวออกมาเช่นนี้แล้วเราก็อาจจะถือได้อย่างเดียวกันว่าวิญญาณในต้นไม้ก็มีเวทนามีสัญญามีสังขารเช่นมีตันหาอุ ป, ปาทานอย่างนี้เป็นต้นแต่ความรู้สึกทั้งหมดที่ว่านี้เป็นไปนโดยไม่รู้สึกตัวหรือยังไม่ไดพัฒนาออกมาอันหนึ่ง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 ก็จะทำให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนว่าวิญญาณในต้นไม้จะต้องมีเวทนาสัญญาและสังขารแน่นอนแต่ก็อย่าลืมว่าคนที่จะสามารถอย่างรู้ไปถึงสภาพของวิญญาณในต้นไม้ได้ถึงขนาดนี้จะต้องเป็นคนที่เข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึ้งจะใช่เหตุผลธรรมดาหรือใช้สามัญสำนึกไม่อาจจะเข้าใจได้เพราะเหตุนี้คนทั่วไป